ครับสวัสดีครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมไปปลดทุกมาทุกสิ่งทุกอย่างแบบโล่งมากเลยเมื่อกี้แบบคนลุกจริงจริงมองไปมันไม่มีใครอ่ะเมื่อกี้พี่บัตรก็ไม่อยู่โจ๊กก็ไม่โจ๊กมันก็นั่งอยู่ข้างนอกเออนะฮะผมก็แบบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาคุณบอยมาลุยกันต่อครับอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งครับผมอืมอย้อนกลับไปอ่าถ้าเกิดพูด ประมาณเขาเรียกยังไงดีอ่ะคือผมเริ่มงานได้ประมาณปีกว่าครับอ่าเริ่มงานกับเพื่อนได้ปีกว่าทีเนี้ยบังเอิญเราโชคดีที่เราได้คอนแทคจากจากลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่คนนึงเขามีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านเก่าครับบ้านเก่าเป็นบ้านปนูนผสมผสมไม้ซึ่งเป็นไม้เนี่ยไม้เป็นเรื่อนไทยอืมเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทําัญกวานั้นที่บ้านเนี่ยเขาปลูกต้นกล้วยทางนั้นเลยอืม แต่ต้นกล้วยเขาไม่ปลูกต้นไม้อย่างอื่นเลยแตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเนี่น้องบอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านพี่เขาบอกว่าเขาอยากให้ช่วยเขาไปดูแลบ้านให้หน่อยเพราะว่าหนึ่งนั้นมันมีต้นไม้ล้อมบ้าน<ม>แล้วบ้านเขาว่าเขาจะมีในส่วนที่เป็นไม้ด้วยที่เป็นแ บ, บ่งกันเป็นเกล็ดลายสนเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเอออยากให้ดูแลเรื่องแมงให้หน่อยเขาก็เข้ากปหลักบ้านของเขาอืผมก็เพื่อนก็โอเคออกตกลงแนละ้วเดี๋ยว ขอเข้าไปดูสถานที่ก่อนตอนเชา้าเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปสำรวจว่าเราเราจะสะโคลบในการทํางานมากน้อยแค่ไหนโปรงงหน่ยุไหนอะไรยังไงแล้วก็มาวางแผนเรื่องกานทำงานครับตอนนั้นเขาได้นนประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงแล้วเราก็เข้าไปที่บ้านเนี่ยมี ม, มีคนดูแลบ้านอยู่คนหนึ่งนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นอรรมพาตม เป็นนำ้ำม้าพลาสและนั่งอยู่บนรถเข็นไม่ได้เป็นนำ้ำมาพาสแบบนอนอะไรไ<อ>นะครับ<อ>แต่เป็นนำ้ำม้าพาสและนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วไม่ขยับเลย<อ>จะมีแค่คนดูแลคนเนี้ยดูแลบ้านเนี่ยดูแลทั้งบ้านและดูแลทั้งคนผู้ป่วยคนนี้ซึ่งเป็นป้าคนนะครับก็จะพูดไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือขยับตาออืขยับต า, ข ย, บตาขยับมือขยับแขนขยับอะไรไม่ได้เลยครับ<อ>แต่ขยับตาได้อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปแล้วเราก็แนะนําตัวแล้วก็บอก เขาก็พาเราเข้าไปดูว่าสกู๊ปงานเป็นยังไงอะไรยังไงที่ผมกับเพื่อนเข้าไปแล้วตกใจเลยอืมคือชั้นล่างเนี่ยไม่มีอะไรชั้นล่างก็แค่เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านธรรมดาที่มีตู้เย็นมีตู้กับข้าวมีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนที่เขาจ้างให้ผมดูแลเนี่ยคือชั้นสองซึ่งมันเป็นเรือนคล้ายเรือนไทยตับครึ่งหนึ่งอะพี่ข้างล่างจะเป็นปูนใช่ไหมครับที่น่ครับเรือนไทยออกเนาะเป็นเรือนไทยกึ่งไม้กึ่งปูน อะไรประมาณนั้นนะครับแต่เหมือนก็นเป็นเรือนสมมติเป็นเรือนไทยข้างหลังและถ้าแค่ครึ่งคึ่งบนน่ะมาไว้บ น, บ น, บนปูนครับอย่างนั้นนะครับแล้วพอเดินขึ้นไปมันกลายเป็นว่าสี่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นตู้เป็นตู้กระจกแล้วเรียงอยู่ทั้งหมดเรียงเท่าที่ผมจําได้มีอยู่เพื่อหกตู้เลยกันครับซึ่งในตู้เนี้ยมีชุดนางลมผี่ชุดนางลาแล้วก็ชุดนางลาชายหรือชุดนางลาหญิงแล้วจะเป็นชุด เป็นชุดละมัเกียนอะไรอย่างเงี้ยม<อ>ันเป็นโขนเป็นอะไรเป็นไปหมดเลยแล้วอยู่ในตู้ผมก็ถามเขาว่าพี่ทำไมามีชุดเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาบอกว่าที่เนี่ยสมัยก่อนอ่ะอเป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับสอนในการลำ<อ>้ำแล้วก็จะมีผู้บรรดาคู่ครูอ่ะเขาก็มาใช้สถานที่<ถ>แล้วก็สอนเด็กนักเรียนของเขาออืและใช้สถานที่เนี่ยในการสอนค บอกพี่แล้วชุดพงกนี้ยทําไมเขาไม่เอาไปด้วยอืเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าให้เก็บไปที่ระลึกเพราะว่าคุณป้าที่เป็นอาพาธอ่ะเป็นอาพาธหัวรถเทเลทนะครับคือเหมือนกับว่าเขาเอื้อในการใช้ให้ใช้สถานที่ในการสอนโดยที่ไม่เก็บค่าอะไรเลยออืนะคะประมาณนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากชั้นสองเนี่ยคือพอเดินขึ้นไปบันไดนะพี่บันไดเนี่ยจะอยู่กลางบ้านพอดี พอเดินขึ้นไปมันจะอยู่กลางบ้านมองทางซ้ายก็จะเห็นตู้กระจกเรียงกันทั้งหมดสามตู้ซึ่งมันกว้างมากอืมันกว้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นจับบันไดแล้วเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยอาจจะเดินสักประมาณยี่สิบเก้าจะถึงตู้กระจกหรือแม้แต่เลี้ยวขวาก็เดินนี่สิบเก้าถึงตู้กระจกแต่บรรดาตู้กระจกเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังทิศทางขึ้นบันไดก็จะมีพวกตู้เสื้อผ้าหรือหรืโต๊ะทางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรียงเรียงกันอยู่ โอเคเราผมกับเพื่อนก็มาวางสกโงงานว่าเออแต่ เ, เราจะฉีดจุดนี้นะ<ม>เราจะทำจุดนี้จุดนี้นะแล้วก็ให้ลก็นัเขาอีกทีว่า<ะ>เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอนกี่โมงอะไรยังไงผมก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับไม่ทราบว่าสรุปตอนเวลากี่โมงครับ<ะ>เขาบอกว่าขอเวลาเป็นกลางคืนพี่กลางคืนอีกแล้วมผมกับเพื่อนบอกว่ากลางคืนเหรอ<ะ>แล้วกลางคืนเราลองเราต้องมา มาเจอตู้จบทั้งหมดหกตู้เนี่ยน ะ, อ ะ, อะเอาไงดีแต่พี่ก็บอกว่าเองช่วยทํำหน่อยเถอดเพราะว่าไม่เขาเขาจ้างบริษัทใหญ่ๆเข้ามาทําแต่ไม่มีบริษัทไหนเลยที่กล้าทําอืมทําไมอ่ะทั้งๆ ท, ที่แบบพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่เขาเขาคงกลัวอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขากลัวอะไรกันครับ อ, อาจจะกลัวตู้หรืออาจจะกลัวป้าหรืออาจจะกลัวอะไรอย่างนี้ ผมก็ผมไม่ผมไม่ได้ไม่ได้แปลกใจเพราะตอนนั้นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ๆก็ถ้ามีลูกค้ายิ่งเจอะมากๆก็ยิ่งดีเราไม่เราไม่มเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมก็เลยถามเขว่าพี่ตอนคืนเนี่ยสะดวกถึงตอนกี่โมงเขาบอกขอเป็นหลังเที่ยงคืนโอ้โหด้วยเหตุผลอะไรฮะตอนนั้นเขาบอกไหมว่าทําไมต้องหลังเที่ยงคืน เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ยพอหลังจากประมาณห้าทุ่กว่าเนี่ยนะคะคุณป้าเนี่ยเขาจะพาคุณป้าตัวเนี้ยขึ้นไปนอนซึ่งนอนเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างนะพี่แล้วนอนคนเดียวส่วนตัวคนที่เฝ้าเนี่ยเขาจะกลับไปบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วพอกลับไปบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละคุณป้าก็อยู่ชั้นล่างและให้เราสองคนขึ้นไปฉีด้วงบนแล้วก็ดูฉีดรอบบ้านแล้วก็ล็อกประตูให้เขาหน่อยแล้วก็กลับแค่นั้นเองพี่บอกแค่นั้นเองยีสเตเต็ทแค่นั้นเองง่ายๆค่ะ แต่ไอคําไม่ว่าง่ายๆหลังเที่ยงคืนเนี่ยอืมันไม่ง่ายนะครับโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเราเรามาถึงนี้เราอ่าโอเคมันคงไม่มีอะไรมั้งเพราะเรามาดีครับ <c oughs> เรามาดีเราไม่เราเราเราไม่ได้มารายอะไรอ <c oughs> โอเคก็รับปากเข้าไปแล้วโอเคได้พี่ถ้า ง, งั้นเดี๋ยวผมขอเรื่องงานตรงนี้เลยแล้วกันครับ <c oughs> โอเคเรื่องงานตรุงนี้เลยแต่ปรากฏว่าคน ด, ดูแลเขาบอกว่า ขอเรื่องเพราะว่าเขายังไม่สะดวกอืมขอเรื่องเป็นอาทิตย์หน้าโอเคอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่เป็นไรับผมหลังจากเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งต่อไปปรากฏ ว, ว่าเขาเปลี่ยนคนดูแลอืมพี่คนนั้นอนะ่ะที่เขามาคุยกับผมพี่ผู้หญิงอะ่ะเขาไม่เขาไม่เขาไม่อยู่แล้วเขาลาออกไปซึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างที่คุยตกลงกันไว้กับพี่คนที่แล้วที่เขาลาออกไปอะ่ะอืมนะแต่มันเดิมพี่มาหลางังเลี้คือแล้วกัน บอกโอเคได้ครับหลังจากนั้นในวันทำงานจริงเราเข้ามากันครับ<ะ>คือมาหลังเที่ยงคืนพี่เขารออยู่ตรงประตูนะพี่แล้วบ้านเขาอะมันเป็นบ้านลักษณะว่า อ, อยู่ในสวนซึ่งในสวนเนี่ยกว้างมากอืมอืมคือในระยะทางที่เราต้องขับเข้าไปเนี่ยคือเราขับรถเข้าไปในซอยซึ่งซอยเนี่ยมันจะเปทะลุสวน<ะ>และทะล่อยไปเรื่อยเรื<ะ>่ยครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทุ่ ง, งนา อส่วนทางซ้ายก็จะเป็นส่วน<ะ>แล้วพอจอสุดเลยอ่ะมันก็จะไม่บานหลังเนี่ยผมก็เข้าไปกับเพื่อนแล้วก็เข้าไปแล้วพี่ก็บอกโอเคน้องก็เดี๋ยวพรุ่นี้เจอกันน ะ, ะก็ว่างไปแล้วเขาก็กลับเลยครับ<ะ>ผมก็เพื่อนก็เข้าไปพอเข้าไปอ่ะพี่มันมีแต่ต้นกล้วยลมแรงๆ แ, <ะ>แล้วก็ความมืดแล้วก็หลังเที่ยงคืนเ<ะ>พื่อนก็บอกว่าทำไมทำไมเราต้องเจอหลังเที่ยงคืนตลอดเลยไม่เข้าใจครับ บอโอเคก็เข้าไปพอเข้าไปประตูอ่ะพอเปิดประตูแรกเข้าไปอ่ะสิ่งที่เห็นก็คือเป็นป้าคนนั้น น, ะนอนยอยูนะ่คนเดียวผมก็แปลกใจนะคนอับภาดทําไมเขาทิ้งมาอย่างนี้แล้วไม่มีคนดูแลเลยจริงๆแล้วต้องมีคนดูแลตลอดเนาะคือเจ้ะจระประสวะตอนกลางค่ากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่อใช่แล้วทําไมเขาถึงทิ้งเพราะอะไรเราแต่เราก็ไม่ไม่อยากไปเข้าใจเพราะเขเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเขาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เราก็เข้าไปแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนครับ<ะ>ในขณะที่กําลังจะเดินชั้นบนนะพี่อยู่ดีๆอะ่ะได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกแรงๆตึ้งผมกับเพื่อนเนี่ยก็หยุดแล้วก็ดูกัน<ะ>ปรากฏว่าเสียงอะ่ะมันดังขึ้นมาครั้งที่สองดังตึ้งทีเนี้ยเราอะ่ะเสียงอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะโฟกัสได้แล้วว่ามันดีตรงจุดไหนเพราะครั้งแรกเราไม่รู้เราตกใจแต่ครั้งทสองเรารู้แล้วว่าวเสียงมา มาจากป้าคนนั้นมาจากที่กำลังนอนยืนเตียงจุดของป้าคนนั้นเลยเหรอป้าคนนั้นออและสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยครั้งที่สามมัคือเป็นขาป้าเนี่ยลอยขึ้นสองข้างหรือล้นหลดพร้อมกันดังตุ๊บเหมือนเหมือนเหมือนคนนอนยกขาขึ้นแล้วก็ทิ้งขาลงไปที่ที่ที่เตียงอ๋ออื่นผมก็ตกใจบอกเฮ้ยป้าเขาไม่ได้เป็นนาบ้าที่อยังไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยคครับ ป้าเขาไม่ได้เป็นอัำกระพานนี่เฮ้ยอ๋อสงสัยป้าเขาเขาคงแก้งมันเ้ยลองลองคุยกับป้าเอาดูหน่อยก็เข้าไปประกวดกับป้าให้หลับสนิทอา้าวหลับสนิทเลยเอ๋อไม่ไม่มีอากาศบริยาที่จะสามารถยกขาขึ้นมาละตุกครับก็ยืนงงสองคนแล้วอะไรอะคืออะไรมันคืออะไรไม่เข้าใจครับ แต่ก็พยายามจะไม่ยุง่งเพราะเฮ้ยรีบๆทํางานเดบเพื่อนนี่มันหลังทพิงคื้นตะตีหนึ่งแล้ว อ, อยากทํางานให้มันเสร็จแล้วรีบกลับไม่อยากอยู่ที่นี่นานพอรู้สึกบางทีขึ้นไปชั้นบนในขณะที่ก้าวขึ้นไปบนดอยแล้วถึงประมาณประมาณครึ่งหนึ่งของตัวบ้านน่ะพี่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนครับคือลักษณะการเดินเนี่ยพี่ไม่ได้เดินแบบเดินธรรมดาแต่เดินเหมือนซอยที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 เดินด้วยส้นเท้าลงลงพื้นตึงตังตึงตึงตึงตึงมึงตึงตึงตึงีึงันงตึงตึงตึงีองตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึรอึงตึงตึงตึงตึงคึงตึงตึงตึงตึงตืงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงาึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตเงตึงตึงตึงตึงตึงดูแลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงต้งตึงตึงตึงตลงตึยตางตึง พี่ค่อยๆเดินขึ้นไปเสียงผีมากกว่านิด oh. ค่อยๆเดินขึ้นไปอีกเสียงผี่มากขึ้นเป็นสองเท่าและ oh. สามเท่าออ oh. ผมกับเพื่อนอ่ะค่อยๆเอาหัวขึ้นไปแล้วก็มองสิ่งที่ผมเห็นก็คือนางลำพี่ออ oh. นางลำประมาณประมาณสี่สี่ผมต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเลิกต <4 S 2> ลตนสี่คนนะตอนนั้นคือคิดเป็นคนไหม เอาเป็นคนดีกว่าอือ่ะสี่คนกําลังซอยเท้าและลัมลําอยู่กับนลพิษแล<ภ>้วกลางแขนและลําแล้วและเสียงก็คือเป็นเสียงเหมือนเช้าที่กลางย่ําออืำแล้วลําลําลําเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีอพื่อนก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีเพ<ภ>ื่อนก็คิดว่า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 ลําเนี่ยสําคัญนะคือเขาค่อยๆซอยเท้ามาตรงมาตรงที่ที่เราเราเราแอบดูอยู่กับนี้อื่คือตอนนั้นเราไม่รู้คิด อ, อะไรอยู่กลัวมากตอนผมผมผมมั่นใจว่าตอนนั้นอะผมกลัวมากๆผมไม่รู้จะทําไงขามันก้าวไม่ออกจะถอยหลังหัวจะล้มหล่นลงไปทอหักตายจะขึ้นไปมันเกลื่อนกระไลยอยู่ เพราะสิ่งที่เราเห็นมันเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่เป็นผู้ชายใส่ชุดนางลำแล้วก็ะหลังลำแ ล, ล้วสอยเท้าเข้ามาอไปสักพักทุกคนหยุดหมดหยุดหมดเลยแล้วก็หันมามองตรงหาจใจครับแล้วตะโกนใส่หน้าว่ามึงมองอะไรอ๋อเพรนั้นแหะที่มึงมองอะไรผมก็เพื่อนเกาวิ่งเลยอโอ้พอวิ่งเสร็จมาลงมาประตูมันเปิดไม่ได้ครับมันถูกล็อกกับพี่มันมันเปิดไม่ได้อที่แล้ว เปิดไม่ได้พี่ทํายังไงอ่ะทำยังไงไม่กล้าหันไม่มองแต่ต้องก็ตกหันไม่มองว่าเขาตามมาหรือยังหรืออะไรต่างต่างนันนะครับพอผุ่มหันกลับไปข้างหลังคือมันไม่มีแล้วพี่ไม่มีใครนะไม่มีใครตามมาออืแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเป็นป้าป้าคนที่นั่งกันอยู่นะใช่ครับคนลุกขึ้นมานั่งออแล้วก็บอกกับป้าว่ากลับกันแล้วเหรอแค่นั้นแหละพี่ผมก็เปิดทางประตูแล้วก็ออกมาเลยออื แล้วกูวิ่งึ้นล่นแล้วกลับเลยครับวันรุ่งขึ้นครับคือหลังจากที่แบบเรากลัวเรารีบกลับแล้วก็คือพยายามไม่พูดอะไรกันแล้วกลับไปถึงออฟฟิศแล้วละวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตรวจงานเพื่อมามาดูว่าสภาพที่เราเห็นเมื่อคืนมันเป็นยังไงคือมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะพี่ไม่ว่าเราจะเจอตรงไหนอะไรยังไงเราต้องกลับมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นภาพมโนของเราเหี่หรือเปล่าออืหรือยังไงพี่ ป้าคนนั้นเขาก็ยังนอนอยู่คนดูแลก็ยังอยู่ออืวัดไปตอนเช้านะครับแล้วตู้ทุกอย่างที่เราเห็นที่เี็นนางนำรำคือมันไม่มีนางรำพี่อ้าเป็นชุดอ๋อเป็นชุดเฉยๆอ๋อใช่มันเป็นชุดซึ่งเป็นชุดที่ลอยอยู่ครับถูกแขวนอยู่ในตู้ทั้งหมดเลย6ตู้ด้วยกันออครับครับแล้วผมก็เล่าพยายามจะเล่าให้ฟังแล้วพี่ เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นป้าเขาขยับได้นะเป็นไปไม่ได้ป้าเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วครับเขาจะมาขยับขยิบอะไรได้อย่างเป็นไปไม่ได้คนเก่าที่เขาเขาพูดมาเออพี่ก็รู้จักเขาไม่มีทางขยับได้เขาไปน้ำมาพาตลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเขาก็ไปเอาเข็มอ่ะซึ่งเขาจะต้องฉีดฉีดเข็มผมไม่รู้นะว่าฉีดเข็มอะไรเป็นยาอะไรมาจิ้มป้าเขายังไม่รู้สึกเลยเลยจิ้ตรงนู้นตรงนี้เน่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเห็นไหมผมก็แปลกใจแล้วป้าเขารู้เป็นยังไงออแล้ว ก่อนนี้เราจะขึ้นไมงมุมน่ะทำไมอยู่ดีๆขาป้าทั้งสองข้างลอยมาแล้วตุบลอยแล้วตุบลอยแล้วตุบอย่อางเงี้ยตลอดเวลาคือทุกวันนี้ก็ยังขาคำตอบไม่ได้เหมือนลักษณะเหมือนมีคนมายกขาป้าแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งปล่อยทิ้งลงพื้นดังตุบตุบตุบใช่ครับนะครโอ้ยออทีนี้เนี่ยผมด้วยความสงสัยกระดิ๊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 สงสัยจะเป็นพี่คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายเคยมาดูแลครับคุณป้าคนเนี้ยออ่เออเามันยังยังคงมาวนเวียนดูแลคุณป้าอยู่ออผมบอกว่ายังคงมาวนเพียนเหรอพี่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรยังไงเออเอมันคืออะไรเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอ่ถ้าอย่างที่รู้กันนะว่าข้างบนเนี่ยเขาเปิดให้สอนพระศิสนาสอนลามสอนแต่ไม่เก็บค่าเช่าให้อาจารย์เนี่ยที่อยากจะมาอยากจะสอน อะไรเงี้ยและไม่มีสถานที่ให้นักใช้ที่นี่ได้เนี่ยแล้วมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่คอยเก็บอุปกรณ์คอยอะไรอย่างเงี้ยค<ถ>ที่ตามอาจารย์อาจารย์สอนคนนี้ก็มาเนี่ยเขามาคอยดูแลลูก้าครั<ถ>มาคอยยกเท้าให้โ อ, อ้โหลมาคอยยกเท้าสองค้างให้ออืแต่ยกเท้ายกเท้าไม่ทันไรแล้วเขาก็วิ่งลงยกเท้าแล้ววิ่งลงออยกเท้าแล้ววิ่งลงครับ<ถ>คือตอนแรกเลยไม่มีใครรู้ เขารู้ทีหลังว่าเขาอะมีแบบประษาจริงนะพี่อ่าในรูลกภาษาจริงนี่เขารู้สึกว่าคือคนอื่นดูเนี่ยเหมือนแกจะมาช่วยแต่เหมือนแกจะมาเออมันมันตรงกันข้ามมันคมันตรงกันข้ามอ๋ออ๋ออ๋อแล้วพอพอมาพักหลังเนี่ยผอรู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยรู้สึกประษาไม่ดีแหละแล้วเขามาทำนี้พฤติกรรงนี้บ่อยๆมจ้ของม้านเขาก็เลยสั่งห้าม บอกอาจารย์ว่าเนี่ยคนนี้เขามาทํานี้ละและห้ามห้ามห้ามเข้ามาเนี่ยในบ้านอีเด็กคดขาดถ้ามาที่นี่อีกครับด้วยความที่ะเขาเนี่ยเขาลับไม่ได้ออืหรือเขาอะไรไม่ได้อวันวันต่อมาที่เขามาเนี่ยเขามาผูกคอตายอยู่ตรงมันได้มันไดบ้านเนี่ยเหรอใช่ครับเฮ้ยเหมือนคนเป็นด้ไปโรคเหมือนคนเป็นโรคประสาทจริงๆนะ <อ>แล้วสำคัญกว่า น, นั้นเขาบอกว่าเจ้าของบ้านตอนนี้เขามาดูตกเขาตกใจมาก<อ>คือเขาผูกผูกคอตายใ น, นลักษณะที่แบบว่าหันหน้าไปทางป้า<อ>แล้วตาเนี่ยลืมโปรงไปทางป้าที่กำลังนอนอยู่โอ้โอ้โหแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าพี่ครับแต่ผมเห็นคุณป้าเขาขึ้นมานั่งอ๋อเขานั่งได้ยังไงอ่ะ ครับหมอเอาอันนี้พี่อันนี้พี่ไม่เคยเห็นนะพี่มันนั่งได้ยังไงมันเต็นไปไม่ได้หรอนั่งไม่เท่าไหร่แล้วป้าพูดกับเราด้วยเนี่ยดิเออแล้วพูดกับเราด้วยออบอกว่าน้องจริงเหรอหรือหรือหรือสิ่งนี้น้องเห็นน่ะไม่ใช่ป้าครับผมกานังคิดเออป่ะหรือว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่ป้าหรืออะเรยังไงที่ทําให้เราเห็นว่าเขาคือป้าครับโอ้ก็เออผมก็ได้ถามแล้วก็รู้เรื่องราวแค่นี้แล้วก็ แล้วก็จบจบในการสนทนาเท่านี้ครับแล้วก็ผมไม่ได้ถามต่อเลยครับผมก็เลยบอกว่าพี่ผมพอผมพอทํางานตอนกลางวันแล้วครับผมไม่ทำพอทํำตอนคืนอพอาะพอตอนคืนผมไม่สะดวกกันแหละพอจะเจอเจอเรื่องแบบเนี้วอกได้ไม่เป็นไรเอางี้ละกันแล้วเดี๋ยวน้องมาทําเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้ามาคุมด้วยการทะเลาจบครับเรื่องราวมันก็มีแค่นี้มันอาจจะเล็กๆไม่ค่อยเฮ้ยมันไม่เล็กนะเออจริงๆแล้วก็จะมีบางคนผมจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่า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 <ผ>เออฟังแล้วมันแบบโอ้โหเฮ้ยคุณบอยเจอโคตรหนักเลยทั้งสองเรื่องที่เล่ามาโอ้โหพี่อ้กบบผ ม, ม<า>กผมว่าผ ม, มาอยากจะบอกว่าก็มาผมผมเข้าใจนะว่าเนี่ยคือที่ผมเล่าจริงๆอ่ะผมบอกว่าตรงนี้เลยว่าผมเจอจริงๆเพื่อนนะครับครับเพอเจอจริงๆแต่ คือบางอะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบกันหรืออะไรหลายอย่างที่แบบมันทําให้บางทีกลมที่ไม่ได้เจอหรืออะไรเงี้ยอาจจะคิดนอีกแบบนี้อันนี้ผมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้อ่าใช่ใช่ใชแบบถ้าเกิดไม่เชื่อไม่เป็นไรครับปักอาบังก็ได้โอ้แต่นั่นคือคุณบอยก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณบอยเจอมาเจอมาจริงๆครับยิ่งใจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยเรื่องราวพวกเนี้ยครับคือถ้าไม่เจอกับตัวเอง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 โอ้อนะครับอ้าวได้ครับคุณบอยนั่นคือทั้ง2เรื่องขอบพระคุณมากๆคุณบอยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือจริงจิยังมีอีกน้นโโองผูกมาเจอมามาเลยนะคุณบอยนะถ้าว่างเมื่อไหร่นะผมว่า ค, คุณผู้ฟังหลายท่านรอคุณบอยเหมือนเขารอคุณคิงรอป้าแมวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณคบอยน่าจะติดอันดับไปแล้วล่ะตอนเนี้ยนะครับหลายคนน่าอชอบวิธีการเล่าเรื่องวิธีการพูดวิธีการลําดับเรื่องของคุณบอยโอเคครับดีมากเลย อเออผมขอขอเล่าสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมฮะฮะมาดีอีกเรื่องหนึ่งครับขอสั้นๆนอ่าอ่า่าได้ได้ะนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมหล<ะ>ังจากที่ทํางานกันเสร็จประมาณตีสามเพื่อนผมมาขับรถกลับออฟฟิศทีเนี้ย<ะ>พอออฟฟิศผมเนี้ยมันจะมีต้นต้นไทราอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากนะฮะแล้วเพื่อนผมมันก็จะชอบขับรถแบบจอดตายต้นทราแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกแล้วนอนอืปรากฏว่าในขณะนอนเนี่ยเอ่า รู้สึกขับใครายขับคาเหมือนเสด็มเสือเห็นผู้หญิงคนหนึง น, นั่งอยู่ปงกระปโปรงรถทั้งหน้าอืมอ่าแล้วก็ไม่ไม่ได้หันหน้ามานะครับครับอ่าแล้วเขาก็พูดเขาเขาก็พูดกับบ ล, ยลอยว่าไปไหมอืมอืมไปไหมครับแล้วก็เสียงเร่งเสียงคุยเลยไปไหมแล้วก็ฮิฮเพื่อนบอกว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปอย่างเงี้ยครับ บอกไปไหมมึงไปไหมมึงไปไหมล่แล้วเพื่อนบอกว่าสะดุ้งมาอแล้วก็มาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันมืดเต็มหมดนะฮะเพื่อนผมตกใจก็เ็จขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็นอนอยู่ในนั้นออ่าถึงขนาดต้องขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศชนเลยอะฮะชนเลยครับ<อ>ัวนาก ค, คือลักนณะเหมือนกับเขาเนี่ยกึ่งกึงหลับกึ่งตืงต่นแล้วเหมือนครึ่งเหมือนจะฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่โอ้แต่ลักษณะคือมันเหมือนจริงเหมือนมีคนมาชวนไปไหมไปไหมไปไหม<ๆ>แต่พอสะดุ้งขึ้นมาปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่มันหลอนใช่โอ้โอแล้วเขาก็เลยขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศเลยขับขับขับโอ้แมทแต่ละเรื่อ ง, องคุณบอยเรื่องสั้นๆยังยังฟังแล้วแบบเออนะฮะโอกาสหน้าแนละ้วคุณบอยนะถ้าว่างนะนะครับใทิ้งการมาได้ตลอดเลยฮะเอาที่คุณคุณบอยสะดวกแล้วกันนะ